ก็สรุปแล้วก็หมายความว่าถ้าเป็นเหตุที่เป็นอุปนิเสียปัจจัยก็เห็นยากหน่อยถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบแต่ในลักษณะเป็นอุปนิเสียหรือประกตูปัญญาปัจจัยจริงๆแล้วมันก็แพร่มองไม่ให้ซับซ้อนนะก็คือมันแปลไปเท่านั้นเองอที่ไหนที่มันโกรธก็คือที่ที่มันพยาบาทเปลี่ยนไอ้ากามฉันทะเปลี่ยนไปเท่านั้นเองอเอาง่ายว่าอารมณ์ใดที่ก่อให้เกิด โสมนัตเวทนาเพราะอารมณ์นั้นอ่ะมันเคยก่อให้เกิดสโสม น, นัตเวทนาหรือเพราะว่าไออารมณ์นั้นมาขวางสโสมนัตเวทนาเนี่ยนะอา so รมณ์นั้นมาขวางโสมนัตเวทนาเท่านั้นเองเราก็เลยไม่ค่อยชอบสิ่งนั้นเนี่ยนะหรือพูดอีกในหนึ่งก็เพราะว่าเข้าไปหวังกับอารมณ์นั้นแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังอ่ะนะเข้าไปหวังเป็นกามฉันทะใช่ไหมแล้วมันไม่เป็นอย่างหวังเป็นพยาปาทนิวอนนั้นพยาปาทานิวอนนั้นเป็นอนิสง์ของกามฉันทะนิวอน อย่างบุคคลทั่วๆไปนะมันก็ตายวันแล้ไม่รู้กี่สิบคนเนี่ยนะเราก็ไม่เห็นเสียใจอะไรเลยแต่ทําไมาคนที่เราเพลิดชอบพ่อพอกันเสียใจตายปุ๊บเอก็ชักไม่เคยสบายใจและโทรมนัดไปด้วยอันนั้นเป็นผลของตามมาฉันท่านี่บอลแต่คนอื่นเขาก็เผาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะพุ่มมันก็ดังไม่ค่อยว่างไว้เนะแต่ก็เฉยๆเนี่ยนะเพราะเพราะอะไรเพราะวัตถุนั้นๆเราไม่ได้ไปมีการมาฉันทานด้วยเนีย่ยนะ อย่างรถเนี่ยนะถ้าเป็นรถบุคคลทั่วๆไปมันก็ชนนะเข้าอู่กันทุกวันะนะแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าพยาบาทนิวรนเกิดแม่แต่หน่อยเดียวนะแต่พอเฉียวคันเราเนี่ยนะอาจจะไฟเลี้ยวแตกนิดๆหน่อยๆนะหมายนั่งไม่ค่อยสงบเป็นวันๆนะ่หะนะหรืออะไรก็ช่างเถอดขอให้มันเกี่ยวกับพยาบาทานิวรนส่วนการมาฉันท่านิวรนของเรานะมันจะแปลไปเป็นพยาบาทานิวรนหมดนะ บ้านหลังผู้การเนี่ยนะถ้าตอนที่มันเป็นของเราอยู่นะถ้ายญ้ามันขึ้นหน่ก็ชักไม่ค่อยสนุกเหมือนกันนะแต่ถ้ามันไปอยู่กับคนอื่นนะไม่ได้ทําความสะอาดสักครึ่งปีก็เฉยเฉยอีก น, ะนะั่นแหละผมสังเกตมานานแล้วติดตอนที่เป็นพวกเราอย้ยกังวลอยู่นั่นแหละห่งกวงเรื่องนี้นะพราะขายไปแล้วสบายไม่ได้คิดถึงเลยนั่นก็ ความเพลิดเพลินในอุปาทานนักขันนั่นแหละเป็นเหตุสร้างอุปาทานนักขันก็การเพลิดเพลิพลนนะนพูดแบบภาษาเร า, า, าชาวบ้านทั่วไปก็บอความเพลิดเพลินในชีวิตน่ะเป็นเหตุให้มีชีวิตต่อไปแต่ว่าชีวิตในพบใหม่นะแต่ว่าจะชีวิตไหนก็ตามสมควรแก่กรรมเพราะว่าคำสอนของเราในเรื่องกรรมนี่ถือว่าเป็นวิชาชั้น พื้นฐานที่สุดเนี่ยนะก่อนที่จะมาพูดถึงหมายอริยสัตว์ทุกสมุทยนิโรธมรรคเนี่ยเรื่องกรรมต้องชัดเจนอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่ชัดเจนเนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลพระองค์ก็จะบอกไปไปเล่าเรื่องกรรมให้ฟังก่อนนะพระองค์จะแสดงเรื่องกรรมให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนพวกเรานี่ก็ถือว่านักเรียนมีระดับก็ฟังหมดอนละเอาชั้นอริยสัตว์นันะ่นแหละเอาใกล้ๆยปนนันะ่นแหละ พอพจบก็อีกเรื่องหนึ่งนะไปพ้นจากห้องเรียนก็นอีกวิชาหนึ่งนะ <S <S ค, ความเกิดเมื่อกี้เนี่ยนะเท่ากับพูดวัตตะอย่างสมบูรณ์นะใช่ไหมวัตตะพร้อมทั้งเหตุเกิดของวัตตะนะเพราะฉะนั้นคำว่านี้ความนี้ความเกิดของรูปนี้ความดับของรูปอขอยัยนี้ความเกิดขึ้นของ รูปนี้ความเกิดขึ้นของเวทนานี้ความเกิดขึ้นของสัญญานี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนี้เท่ากับกล่าวสังสารวัตรพร้อมทั้งเหตุเกิดว่าวัตตะมันเป็นไปอย่างนี้นะนั่นเลยเพราะฉะนั้นคนที่มาคิดเรื่องนี้พระองค์บอกว่าให้เจริญสมาธิก่อนใช่ไหยถ้าถ้าเป็นพระพิสุทโที่ฟังในสมัยนั้นพระองค์บอกให้เธอไปเจริญสมาธินะถ้าเธอเจริญสมาธิแล้วจะเห็นแล้วจะมีปัญญาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ จะเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแต่ก็ถ้าฟุ้งซ่านนะมันไม่ค่อยคิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่คิดเรื่องนี้ค่อนข้างสงบมากเลยนะถ้าถ้าเทียบนะหังเกดดูวันไหนที่เราเอาธรรมะลึกๆมาคิดนะวันนั้นจิตค่อนข้างเป็นสมาธิดีเนะอีกข้อหนึ่งข้อ29กาว่าดูก่อนพ่สูนทั้งหลายก็อะไรเป็นความดับแห่งรูป อะไรเป็นความดับแห่งเวทนาอะไรเป็นความดับแห่งสัญญาอะไรเป็นความดับแห่งสังขารอะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ด <Moscow prose cu> <G un> ื่มดำอยู่ก็ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งรูปนะ่า ไม่เพลิดเพลินนะอันนี้ควรจะเป็นอะไรจริงจะไม่เพลิดเพลินได้ก็ต้องวิปัสนาในรูปเนี่ยเป็นเป็นอย่างดีใช่ไหมตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดไอ้คลายกําหนัดอันนี้แหละเรียกว่าไม่เพลิดเพลินเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินก็ย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งรูปเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งรูปความยินดีในรูปย่อมดับไป เพราะความยินด so ีของพิสูจนนั้นดับไปอุปาทานจึงดับนีนะก็คือดับตัณหาได้นะด้วยอริยมรรคเนี่ยเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนนี้ ภิกษ well ุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำซึ่งเวทนาไม่ดื่มดำซึ่งสัญญาไม่ดื่มดำซึ่งสังขารย่อมไม่ดื่มดำซึ่งวิญญาณเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณเพราะความยินดีในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับไปเพราะความยินดีของภิกษุนั้นดับไปโกปาทานจึงดับ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 ทั้งหมดเนี่ยเป็นวิวัตตะเนี่ยนะเป็นการเห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเหตุเกิดและความดับของขันห้าก็คืออริยสัจสี 4, ในในขันห้านั่นเองเนี่ยนะคือพื้นฐานของผู้ที่พิจารณาขันห้าเนี่ยนะสิ่งที่ไม่ควรลืมเอาไว้อย่างหนึ่งก็คือการเจริญพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธ ท, ที่ว่ารูป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 ถ้าพื้นฐานเราระ ล, ลึกถึงคำเหล่านี้ได้แล้วใคร่ควรวญสิ่งเหล่านี้เนืองนิดอยู่การพิจารณาขันตามนี้นะจะจะพอศึกษาพอได้เรียกว่าพอเรียนได้นะส่วนจะตรัสรู้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งละมืนกันแต่แต่สาคัญให้รู้แนวทางว่าเขาคิดอะไรกันอยู่นะถ้อยางเช่นพระพระพุทธเจ้าอะ่ะพระ อ, องค์คิดอะไรแล้วพระ อ, องค์สอนอะไร พระพิสุสมัยพุ้จการท่านท่านเจริญยังไงท่านคิดยังไงอ่ะนะของเราก็ถ้าเข้าใจแล้วก็นับถืออย่างนี้เรียกว่านับถือใจสารณคมถูกต้องนะนะส่วนเราจะปฏิบัติได้เจริญได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ปัจจัยด้านนื่นๆอีกนะนะแต่ว่าชั้นแรกๆให้รู้ก่อนว่าท่านท่านสอนอะไรท่านแสดงอะไรแต่ทีนี้ของเราความที่อัธยาศัยแหมรู้อะไรเพื่อจะทำอันนั้นให้ได้ให้หมดเลยนะ ก็อันนั้นแหละทําให้กลางกั้นมากต่อการศึกษาพระธรรมหรือไม่ก็โดยมากก็พออ่านสูตรใดสูตรหนึ่งพระธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเอาตัวเองไปวัดอยู่เรื่อยนี่นะเอาตัวเองไปเป็นประทับฐานเป็นเครื่องวัดอยู่เรื่อยในขันธวรวักนั้นทําให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณารูปเป็นอย่างมากถ้าเราฟังแบบสติประธานใช้ใว่านี้รูปนี้ความเกิดของรูปนี้ความดับของรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันแล้วพิจารณาธรรมะเหล่านี้เป็นภายในบ้างพิจารณาธรรมะเหล่านี้เป็นภายนอกบ้างพิจารณาธรรมะเหล่านี้ทั้งภายในทั้งภายนอกพิจารณาธรรมะเหล่านี้โดยความเกิดขึ้นบ้างโดยความเสื่อมบ้างทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมบ้างนั่นนะแล้วก็สติที่ตั้งมั่นว่าไอ้อุปาทานขันทั้งห้าเนี่ยนะว่ามีอยู่ก็ขันทั้ห้าก็เพื่อให้เป็นอารามณปัจจัยเพื่อจะได้เจริญสติเจริญ สัมปชัญญะเจริญญานเนี่ยนะจะได้ไม่มีตันหาและอุปาทานในในขันท่าเหล่านั้นแตนถ้าเราฟังเฉพาะสติปัฏฐานมาเราจะคิดได้เท่านี้แหละเนี่ยนะถ้าจําคําสอนได้นะแต่ถ้าไปศึกษาในขันธวรรคจะรู้ว่าโอ้โหสมัยพุทธการหรือพระพุทธเจ้าคิดที่มันอัไหนของเราไม่มีโอกาสคิดแบบท่านได้เลยถ้าถ้าไม่อาศัยแนวทางไม่อาศัยคําสอนที่ที่พระองค์แสดงเอาไว้เนี่ยนะหมดสิทธิ์เลย นี่อย่างในสูตรในจะเริ่มกล่าวในขันทวรวักเลยนะอย่างเช่นในสูตรแรกเลยนกุละปิตุสูตรเนี่ยนะขันทสังยุตกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเพศกาลาวันป่าเป็นที่นางยักษ์ชื่อว่าเพศกาลาอยู่อาศัยอันเป็นสถานที่ให้อาภัยแกหมู่มรึก ใกลส้สุมารคิระในพัคะชนบทนี่นะก็พระพุทธเจ้าสมัยสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่พระองค์เนี่ยไปไประทับอยู่ในสวนซะส่วนใหญ่เนี่ยนะจะไปพักอยู่ในสวนอย่างเช่นถ้าอยู่เมืองพาราณสีก็จะไปอยู่ไอ้ปายสิปตนามฤุกทายวันนะ่ะนะก็คืออยู่ในสวนสาธารณะนั่นเองนะ่ะสมัยก่อนเนี่ยสมณะพราหมณ์ทั้งหลายก็จะไปพักในสวนสาธารณะของของเมืองนั้นนเนี่ย น, นะ ทรั้งนั้นเครือหาบดีชื่อว่าณั ก, กุลบิดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่าข้าพระองค์นี้เป็นผู้เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยแล้วโดยลําดับร่างกายกระสับกระส่ายแล้วก็เจ็บป่วยเนืองๆก็อายุก็มากแล้วนะป่วยก็มากด้วย พระเจ้าค่ะก็ข้าพระองค์ไม่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุทั้งหลายผู้ให้เจริญใจอยู่เป็นนิดเนี่ยนะไอ้ความที่ร่างกายก็แก่ป่วยเท่าเนี่ยนะสุขภาพก็ไม่ดีเจ็บเจ็บป่วยๆเนี่ยก็ทําให้ไม่ได้ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นภิกษุสงฆ์ที่ปกติเขาเห็นแล้วเขาเขามีความสุขใจเขาฟูเนี่ยนะโดยเฉพาะเจริญเมตตาก็ง่ายการุณาก็ง่ายมันปกติก็เห็นภิกษุสงฆ์แล้วท่านก็เจริญใจอยู่เป็นนิด แต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีก็ทําให้ไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดสั่งสอนข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดพร่ำสอนข้าพระองค์ด้วยธรรมะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเธอเนี่ยนะก็ขอให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านั่นน่ะถูกแล้วนั่นน่ะถูกแล้วเนี่ย อันที่จริงกายนี้ก็กระสับกระสายเป็นดังฟองไข่อันหนังหุ้มเอาไว้นะแต่คือถ้าเป็นฟองไข่นะมันยังมีเอกเปลือกเขาเลยนะมันยังหุ้มไว้บ้างนะแต่กายของเราในเอกข้างในเหมือนไข่แต่ว่าหนังหุ้มมันไม่ได้มีแข็งเหมือนกับไข่เลยนะเพราะฉะนั้นไปครูดอะไรนี่นี่นี่ยหน่อยก็แย่แมลงก็เจาะได้ไข่นี่พวกแมลงเจาะไม่ได้นะธรรมดานะพวกยุงพวกเลือดพวกริ้นพวกอะไรเนี่ยเจาะเจา ะ, ะไข่ไม่ได้แต่ว่าคนเนี่ยข้างในเหมือนไข่อะนะ แปลว่าหนังหุ้มอยู่เลยพวกนั้นเจาะได้หมดเลยดูก่อนครือา บ, บดีก็บุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่พึงรู้ตัวได้ชัดว่าไม่มีโรคได้แม้เพียงครู่เดียวก็จะมีอะไรเล่านอกจากความเป็นคนเขาเนี่ยนะแสดงว่าใครที่อยู่กับร่างกายแล้วไม่รู้ว่ามันมันไม่มีโรคเลยมัแมอนดีเหลือเกินเนี่ยนะถ้าใครครวรตรวจรอบคอบหมดแล้วแหมดีเหลือเกินเนี่ยนะ เราจะมีอะไรนอกจากความโง่เท่านั้นแลดูก่อนขึ้นหาปฏิเพราะเหตุนั้นแหละท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเรามีกายกระสับกระส่ายอยู่จิตของเราจากไม่กระสับกระส่ายดูก่อนขึ้นหาปฏิท่านพึงศึกษาอย่างนี้แหละให้คิดมานะว่าร่างกายกระสับกระส่ายก็ช่างเถอะแต่ว่าจิตต้องไม่กระสับกระส่ายคำเหล่านี้อธิบายแค่ไหนนะของเราก็จะคิดแค่ๆเราอะนะต้องจิตให้มันนิ่งเข้าไว้ใช่ไหมจึงใชชื่อว่าจิตไม่กระสับกระส่าย เนี่ยนะเรามีความรู้เท่านี้นะแต่มาดูว่า<ม>อัถะความหมายคําว่าจิตไม่กระสับกระสายของท่านนี่แค่ไหนครั้งนั้นแหละครือหาบดีชื่อว่านกูลปิดาก็ชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วก็หลีกไปก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรอภิวาสแล้วก็นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับนักูลปิตานนะ ครือาบดีว่าดูก่อนเครือหาบดีอินซีของท่านเนี่ยผ่องใสนักเนี่ยนะนะสีหน้าของท่านบริสุทธิ์แต่งปลัง่งวันนี้ท่านได้ฟังธรรมมีกระถานในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือเนี่ยนะคือหมายว่าว ว, วตาเนี่ยไม่เศร้าหมองสีหน้าก็ผ่องใสเนี่ยนะจริงๆแกก็ไม่ใช่เป็นคนขาวอะไรหรอกแต่ว่าดูมันผิดปกติไปเหมือนกันแต่ดูมีความสุขมากนะ นั ก, กุละปิตุครหาบดีก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชไหนไม่เป็นอย่างนี้เล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังอมริตธรรมรดข้าพระเจ้าด้วยธรรมมีกระถาที่พระองค์บอกว่าให้ศึกษาไว้ว่ากายกระสรับกระสายแต่ว่าจิตต้องไม่กระสรับกระสายเนี่ยให้ไปศึกษาไว้อย่างนี้นะให้ให้ไปเจริญตรายศึกษาแบบนี้แหละว่ากายกระสรับกระสายแต่จิตไม่กระสรับกระสายเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นธรรมมีกถานี่แม่ลึกซึ้งมาก <c oughs> ทีนี้ท่านภาษาริบุตรก็อนนคือก็ถามว่าพระผู้มีพระภาคหลังอมรตธรรมรถท่านด้วยธรรมมีกระทาอย่างไรเล่าอนนั้น ก, กุละปีตุครืหาบดีก็เล่าให้ฟังอย่างที่กล่าวไปแล้วท่านภาษาริบุตรก็ถามว่าดูก่อนครหาบดีก็ท่านไม่ได้ทูลสอบถามพระผู้มีพระภาคต่อไปว่าพระเจ้าข้าด้วยเหตุเท่าไหรหนอ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายและเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายและก็ด้วยเหตุเท่าไหร่นอว่าบุคคลแม้เป็นผู้มีกายกระสับกระสายแต่หาเป็นผู้มีจิตกระสับกระส่ายไม่ก็แบ่งบุคคลเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งกายกระสับกระสายจิตกระสับกระสายประเภทที่สองกายกระสับกระส่ายแต่จิตไม่กระสับกระสายว่าเหตุเท่าไหร่เนี่ยจึงจะทําให้เป็นอย่างนั้นได้ เหตุเท่าไหร่ทําให้กายกระสรับกระสายแต่ว่าจิตไม่กระสรับกระสายนากูลปิตุครห บ, บดีท่านก็ฉลาดนะท่านบอกข้าแต่ท่านผู้จเจริญแม้ข้าพเจ้ามาแต่ที่ไกลก็เพื่อทราบเนื้อความแห่งภาสิทธนั้นในสํานักของท่านพระสารีบุตรนะนะมันก็ปฏิพานรอบเลยนะลิสาทู่าังันขอเนื้อความแห่งภาสิทธนั้นจงแจ่มแจ้งกะท่านพระสารีบุตรเถิดนะนะก็ถามส่งเลยนะ อยากให้หนายมาก็เลยถามเลยภาษาดิบุตรก็ดูก่อนเครืหาบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังเนี่ยนะจงฟังก็คือจงประโยค่าให้ดีนะอย่าไปสนใจทวารอื่นเอาทวารหูเหมือนกันจงใส่ใจให้ดีเนี่ยนะตั้งอัตตาสัมมาปณิธิโยนิโสมนัสิการนะเราจะกล่าวน ก, กูลปิโตเครืหาบดีก็รับคําท่านภาษาดิบุตรท่านภาษาริบุตรก็กล่าวว่าดูก่อนเครืหาบดี ก็อย่างไรเล่าบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายด้วยจึงชื่อว่าเป็นผู้มีจิตกระสับกระส่ายด้วยกระสับกระส่ายทั้งกายกระสับกระส่ายทั้งจิตเนี่ยนะเป็นยังไงก็คือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับแล้วผู้ไม่ได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะมิได้รับคือไม่มีวินัยในของพระอริยะเนี่ยนะที่เรียกว่าไม่มี ไม่ได้รับการฝึกหัดได้รับการแนะนําจากวินัยของพารยะมิได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษมิได้รับแนะนําในสัพบริสธรรมก็เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างเห็นอัตตานี่มีรูปบ้างเห็นรูปในอัตตาเห็นอัตตาในรูปเนี่ยนะสรุปก็คือมีสักการทิฏฐิในในรูปนั่นเองเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเนี่ยเป็นรูปรูปเนี่ยเป็นเรา ก็คือยึดถือรูปนะนยึดถือรูปด้วยตัณหามานะทิฏฐิว่าเราเนี่ยเป็นรูปรูปเนี่ยเป็นของเราเมื่อเขาตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปของเราอ่านะก็ยึดในรูปเต็มที่เลยนะถ้ารูปย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปถ้าเข้าไปยึดรูปอย่างเต็มที่ว่าหมายเรานะของเรานะชื่นชมใหญ่เลยนะดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นเสร็จแล้วถ้ามันแปรปรวนไปเป็นยังไ เพราะรูปแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะอันนี้อย่างหนึง่งก็ผู้ที่ยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณเหมือนกันเนี่ยนะยึดโดยความเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยด้วยอำนาจส ก, กายาทิฏฐิทีนี้พอตั้งอยู่ในความยึดมั่นในสัญญาสังขารว่าอนะ เราเนี่ยเป็นสัญญาเราเป็นสังขารเราเป็นวิญญาณเนี่ยนะก็ยึดมั่นตั้งอยู่อย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณก็แปรปรวนไปเพราะสัญสัญญาสังขารวิญญาณแปรปรวนไปโสกาปริเทวะทุขโทมนัสอุปายาย่อมเกิดขึ้นเนี่ยนะดูก่อนขึ้นหา บ, บดีด้วยเหตุอย่างนี้แหละบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกส่ายและก็เป็นผู้มีจิต กระสับกระส่ายก็คือปุตตุชนทั่วๆไปที่ใช้ชีวิตดำเนินอยู่ในวัตฏะเป็นไปในวัฏ ต, ตะเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนะกายก็กระสับกระส่ายด้วยจิตก็กระสับกระส่ายที่จิตกระสับกระส่ายเนี่ยนะก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากความยึดถือในในขันห้าเนี่ยนะพอยึดถือในขันห้าขันห้าก็ไม่เป็นอย่างที่ยึดพอขันห้าไม่เป็นอย่างที่ยึดก็ เดือดร้อนนะคือปกติสัตว์ทั้งหลายทั่วทไปก็ยึดขันห้าว่าเทียนะนะยเท่ยงบ้างนะว่ารวมๆนะยึดว่าเที่ยงบ้างยึดว่าสุขบ้างยึดว่า ง, งามบ้างยึดว่าอัตตาบ้างทีนี้ไอขันห้ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ยึดนะนะไปยึดมันยังไงมันก็ไม่เป็นอย่างที่ยึดหรอกพอไม่ได้เป็นอย่างที่ยึดเข้าก็ขันห้าก็อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่งามอยู่ทั้งปีทั้งชาติอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเข้านะมันก็แปรไปตรงกันข้ามไปอย่างที่เขายึด พอมันแปรเข้าไปอย่างนั้นเขาก็เกิดอะไรขึ้น ก, ก็กระสับกระสายแล้วนะคือโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตก็ก็เกิดเนี่ย น, นะอย่างนี้แหละพวกนี้เรียกว่ากายกระสับกระสายจิตก็กระสับกระสายกระสับกระสายหมดเลยอันนี้เรียกว่าวัตตะเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้กทุกขสมุไทยแสดงไปแล้วนะว่าเ อ, อทุกขะสมุไทยเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้า สายวิวัตตะ บ, บ้างนะสายนิโรสัรจมักมัก ษ, ษั์กับนิโรสัจจะเป็นยังไงคือสังเกตไว้อย่างหนึ่งว่าการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยต้องอ่านว่าระหว่างไหนเป็นวัตตะพร้อมทั้งเหตุเกิดที่เรียกว่าทุกขสมมุทายสัตเนี่ย น, นะเพราะว่าในคําสอนนะโดยเฉพาะขันธวารวักเนี่ยจะแสดงสัจจะ4ี่เป็นหลัก น, นะบางสูตรก็แสดงเฉพาะแสดงทั้งวัตตะและวิวัตตะ บ า, บางสูตรแสดงวิวัตต์อย่างเดียวบางสูตรแสดงวัตต์อย่างเดียวเนี่ยนะก็จะเป็นอย่างนี้ตลบแต่ในสูตรนี้แสดงทั้งวัตต์และวิวัตต์พอในวิวัตต์เนี่ยนะคือในฝ่ายสายนิโรธกับมรรคภาษาริบุตก็บอกดูก่อนเครือหาบดีอย่างไรเล่าบุคคลแม้เป็นผู้มีกายกระสับกสายแต่หาเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายไม่ดูก่อนเครือหาบดีอริยส า, าวกในธรรมวิไนนี้เป็นผู้ได้สดับแล้วผู้เห็นท่าอริยะ ผู้ฉลาดในธรรมะของพระอริยผู้ได้รับแนะนำดีแล้วในอริยธรรมผู้เห็นสัตบุรุษทั้งหลายผู้ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษผู้ได้รับแนะนำดีแล้วในสัพปริสธรรมก็ไม่เห็นรูปเป็นต้นโดยความเป็นอัตตาก็คือไม่ได้มีสักกายทิฐิในในขันธ์เลยเนี่ยนะไม่ได้ชื่อว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเราหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็น ของเราไม่ได้เข้าไปยึดแบบนั้นว่าเราว่าของเราเลยเพราะอะไรก็เพราะตามเห็นตามเป็นจริงว่าขันนะทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยไม่เที่ยงเนี่ยนะอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็เจริญปัญญาจนละคลายความยึดถือในอุปาทานขันห้าทีนี้ถ้าขันห้าเหล่านั้นแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโ ท, โทโมนัตและอุปายาตก็ไม่เกิดขึ้นเพราะขันห้ายังไงก็แปรปรปวนแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมแต่เนื่องจากท่านไม่มีอุปาทานไม่เข้าไปมีการมูปาทานที่ถูกปาทานศีลพัตถุปาทานอตตวาทุปปาทานในขันห้าเลยเพราะฉะนั้นโสกะปริเทวะทุกโทโมนัตและอุปายาตจึงไม่เกิดขึ้นดูก่อนครหบดีแม้นี้แหลบุคคล แม้มีกายกระสับกระสายแต่หาเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายไม่อันนี้เป็นการกล่าวโดยสรุปนะไม่ได้กล่าวโดยพยัญชนะทั้งหมดนันะนะท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคํานี้แล้วนะักูลปิตุขฤหาบาดีก็ชื่นชมยินดีพาษิตธ์ของท่านพระสารีบุตรชะนี้แล่นะนะของเราก็กลับไปแล้วก็ไม่รู้อินทรีย์จะผ่องใสสีหน้าจะผุดผ่องขึ้นหรือเปล่าล น, ะนั่นนะก็ปกติก็เป็นพระโสดาบันอยู่แล้ ว, อ, ลวอ่าเป็นพระโสดาบัน เป็นผู้ที่เป็นเอตทักฆะในด้านคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้า mm hmm. อ น, นะเป็นสาวกอ น, นะนักูลปีตูเนี่ยถือว่าเป็นผู้คุ้นเคยที่เป็นอุบาสกผู้ชายที่คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าฝ่ายแม่บ้านก็ก็เป็นผู้คุ้นเคยในด้านที่เป็นผู้หญิงเพราะว่านักูลปีตูนี่เห็นพระพุทธเจ้านึกรักเหมือนลูกทันทีเลยอ น, นะเรียกว่าลูกเราเลยนะถามว่าทาไมพระบอกว่าเกี่ยวข้องกับ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะในอดีตชาติมาพันห้าร้อยชาติก็คือเคยเกิดเป็นพ่อโยห์ห้าร้อย500ชาติเกิดเป็นปู่ห้าร้อยชาติเกิดเป็นอาล้านอะไรเงี้ยนะเกือบห้าร้อยา500ชาติท่านก็มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้ามากนั่นนะเลยเป็นเอตทักขะในด้านความคุ้นเคยอย่าง น, นั้นน่ะนะตอนั้นก็เป็นพระโสดาบันถ้าไม่เป็นพระโสดาบันจะไม่ได้เอตทักขะอะไรก็ผ่ อ, องใสเลยเนะี่ย ก็ท่านฟงสายท่านฟังแล้วอืมคือมีความสุข next, สนะกุศลเจริญแต่จริงๆไม่ใช่ท่านเป็นคนผิวเขาอะไรนั่นแหละแต่ว่ากุศลเจริญเมื่อฟังธรรมมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้พูดถึงมรรสั์นะครับนี้คือไอไอการกล่าวธรรมะเนี่ยนะว่าจุดประสงค์ของการแสดงมร ก, ก็เพื่อไม่ยึดถือใช่ไหมเพื่อเพื่อไม่มีอุปาทานเมื่อไม่ยึดอยู่แล้วมรก็ไม่ต้องพูดอะไรถามว่าทําไมเพราะไอที่ไม่ยึดได้เพราะอาศัย อาศัยมักนั่นแหละเนี่ยนะ